ท่านอาจารย์มั่นท่านสั่งสอนปฏิปทาเครื่องดำเนินแก่บรรดาสิทธ์ทั้งภายในภายนอกละเอียดละออมากและสั่งสอนยังมีเหตุผลทราบซึ้งจับใจในธรรมะทุกขั้นและเครื่องดำเนินทุกขแขนงผู้ได้รับการอบรมจากท่านพอสมควรต้องการจะเร่งความเพียรจำเพาะตนก็ในมาสการกราบลาท่านออกสแสวงหาที่วิเวกสงัดเป็นแห่งแห่งไปตามนิสัยที่ชอบในสถานที่ใด ก็ไปอย่างสถานที่นั้นคือท่านที่ชอบภูเขาก็มุ่งหน้าขึ้นเขาหาเลือกสถานที่ที่จะพักบำเพ็ญเอาตามชอบใจแต่น้ำสําหรับอาบดื่มใช้สอยมีความสําคัญอย่างยิ่งจะขาดไปไม่ได้อาหารยังพออดได้ทนได้ทีละหลา ย, ลายวันแต่น้ำอดไม่ได้และไม่ค่อยมีส่วนทับถมร่างกายให้เป็นค่าสึกต่อความเพียรทางใจเหมือนอาหาร จึงไม่จำเป็นต้องอดให้ลำบากทางน้ำมีความจำเป็นต่อร่างกายอยู่มากฉะนั้นการสแสวงหาที่บำเพ็ญต้องขึ้นอยู่กับน้ำเป็นสำคัญส่วนหนึ่งแม้จะมีอยู่ในที่ห่างไกลบ้างประมาณกิโลเมตรก็ยังนับว่าดีไม่ลำบากในการหิ้วขนนักที่โคจรบินทบาทถ้ามีหมู่บ้านราว 4-5 หหลังคาเรือนหรือ 8-9 หลังคา ก็พอเป็นไปสําหรับพระทุดงเพียงองค์เดียวไม่ลำบากอะไรเลยตามปกติพระทุดงคกรรมาฐานไม่ค่อยกังวลกับอาหารข้าวหวานอะไรนะักบิณฑบาตได้อะไรมาท่านก็สะดวกไปเลยแม้ได้เฉพาะข้าวเปล่าเปล่าไม่มีกับเลยท่านยังสะดวกไปเป็นวันเพราะเคยอดเคยยิ่มมาแล้วจนเคยชินถ้าไม่เป็นการอวด แม้เขียนตามความจริงที่เคยประสบมาเป็นประจำในชีวิตกรรมฐานผู้เขียนเคยประสบมาเสียจนเคยตัวแต่ก็ไม่ปรากฏว่าเข็ดหลับอะไรเลยบางเวลามีโอกาสยังคุยโม้เรื่องความอดอยากของตัวในหมู่เพื่อนฟังอย่างไม่อายทั้งที่คนทั้งโลกเขาอายกันไม่อยากพูดถึงเรื่องความอดอยากขาดแคลนของตัวเองและครอบครัวให้เพื่อนฝูงฟังเพราะเป็นความอับอายมาก ส่วนพระกรรมฐานยังคุยโม้ได้ไม่นึกกระดาษใครว่าจะหัวเราะเยาะเอาที่เขียนอย่างไม่อายก็เพราะชีวิตของพระกรรมฐานเป็นชีวิตที่แร้นแค้นกันดานมาแต่ครูอาจารย์ผู้เป็นต้นตระกูลมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นในสายนี้พาดำเนินมาก่อนตกมาถึงลูกลูกหลา น, ลานจึงมักเป็นลูกหลานที่มีปฏิปทาอดๆ อ, อยา ก, ยา ก, ยาก ที่จำต้องยอมทนอดทนหิวบ้างด้วยความสมัครใจนั้นเนื่องจากการบำเพ็ญทางใจได้รับความสะดวกต่างกันกับที่ฉันตามปกติร่างกายจิตใจไม่ค่อยอุ้ยอ้ายอึดอัดอันเป็นลักษณะขี้เกียจอย่างเต็มตัวไม่อยากทำความเพียรทางใจยิ่งปล่อยตามใจคือฉันให้มากตามอำนาจตันหาบงการด้วยแล้ววันนั้นตาและจิตไม่อยากมองทางจงกรมเอาเลย มีแต่จับจ้องอยู่ที่หมอนเท่านั้นให้นอนทั้งวันยิ่งถูกใจขืนเขียนไปมากก็เป็นการขายตัวมากซึ่งเป็นกรรมฐานองค์สำคัญในเรื่องนั้นองหนึ่งจึงควรยุติเสียบ้าง เ, เมื่อคิดดูแล้วใจพระกรรมฐานใจท่านใจเราคงคล้ายคลึงกันอนุโลมตามเท่าไหร่ยิ่งได้ใจ สนุกคิดไปร้อยแปดแบบไม่มีขอบเขตต้นฉบับคำภีใบล้านอะไรเลยมีแต่เรื่องนรกเอเวจีเสียทั้งสิน้นและพอใจเปิดอ่านทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันเบื่อนายอิ่มพอมิหนำยังหานยึดอำนาจเอานรกเอเวจีมาเป็นที่สนุกสนานเฮฮาโดยไม่หวั่นเกรงยมาบาลบ้างเลยเวลากิเลสเริองอำนาจบนหัวใจเป็นอย่างนี้แหละพระกรรมฐาน ท่านทรมานใจตัวเก่งกาดด้วยวิธีต่างๆโดยผาอดอาหารบ้างอดนอนบ้างผาขึ้นบนภูเขาบ้างผาเข้าถ้าและเงื้อผาบ้างผานั่งสมาธิทรมานความอยากคิดอยากปรุงของมันบ้างตามแต่จะมีอุบายทรมานได้เพื่อใจหายพยศไปเป็นพักๆ พ, พอได้หายใจอยู่สบายไปเป็นวันๆเวลาที่ยังไม่ได้ฐานของจิตไว้ชม โดยมากท่านมักฝึกจิตตามที่เขียนมานี้เฉพาะสายของท่านอาจารย์มั่นเคยเห็นท่านพาดำเนินมาอย่างนี้พระที่ออกจากท่านไปขึ้นเขาเข้าถ้าก็เพื่อฝึกฝนใจดังที่เล่ามานี่แลบางคืนไม่ได้หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายบ้างเลยก็เพราะจิตมันชอบเที่ยวต้องใช้วิธีผูกมัดกันด้วยการทำสมาธิภาวนา เวลาขึ้นไปอยู่บนเขาด้วยแล้วต้องอาศัยสิ่งที่มันกลัวช่วยปราบปรามทรมานด้วยเช่นเสือเป็นต้นสัตว์ชนิดนี้นับว่าทรมานจิตพระกรรมฐานได้ดีมากเพียงได้ยินแต่เสียงกระหึมกระหึมฝากภูเขาทางโน้นใจก็เตรียมหมอบราบอยู่ทางนี้แล้วไม่กล้าแสดงความคึกขนองใดๆตามใจเลยเวลานั้นบางครั้งเสียงอาจารย์ใหญ่ ตัวทรงอำนาจกระหึมขึ้นใกล้ๆปรากฏว่าลืมหายใจไปก็มีขณะนั้นลืมเพลงกิเลสที่เคยร่ายคิดด้วยความขนองไปหมดเหลือแต่ความกลัวตัวสั่นอยู่เท่านั้นบางครั้งเหมือนลมหายใจจะขาดไปในขณะนั้นจริงๆเพราะกลัวมากอากาศหนาวๆแต่ร่างกายกลับร้อนเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวเพราะความกลัวบังคับ นับว่าพอเหมาะพอดีกันเหลือเกินกับจิตตัวเก่งกล้าไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงธรรมรบเร้าสั่งสอนตอนนั้นจิตยอมเชื่อพระพุทธเจ้าและน้อมเอาพระองค์เข้ามายึดฝากชีวิตทันทีไม่ยอมคิดออกไปหาเสืออีกเลยเพราะฝืนคิดเท่าไรความกลัวยิ่งทวีรุนแรงจะเป็นบ้าไปให้ได้ความกลัวเป็นบ้ากับความกลัวตายมีกาลังมาก ก็จำต้องนึกถึงพุโทโธพุโทโธอยู่ภายในนึกไปนานๆคำว่าพุโทโธกับใจก็กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้จากนั้นใจก็เริ่มสงบนิ่งเหลือแต่ความรู้เพียงอันเดียวความกลัวหายไปหมดราวกับปลิดทิ้งความกล้าหาญเกิดขึ้นแทนที่ไม่นึกกลัวอะไรในไตรโลกธาตุขณะนั้นและจิตเห็นโทษความกลัวเสือ และเห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจไม่เอ็นเอียงวันไหวไปมากับอารมณ์ใดๆมีแต่ความสงบสุขและความกล้าหาญเต็มดวงใจจิตกลับเป็นมิตรต่อศัตรูคือเสือได้อย่างสนิทมีหนำยังอยากโดดขึ้นนั่งเล่นบนหลังเสือตัวเป็นมิตรได้อย่างสนิทใจมีได้นึกว่ามันจะทำอะไรได้เหมือนที่เคยนึกกลัวมาก่อนเลย ปรากฏว่าใจผูกมิตรได้กับทุกตัวสัตว์ที่มีอยู่ในป่าไม่นึกว่าสัตว์ตัวใดและสิ่งลึกลับจะกล้ามาทำอันตรายได้ตามความจริงแล้วคิดว่าสัตว์ ร, ร้ายต่างๆจะทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะผู้ทำก็คือใจเป็นผู้คิดพาริเริ่มแต่ใจอีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอยู่แล้วยอมทาให้อีกฝ่ายหนึ่ง อดอำนาจและความตั้งใจลงไปเองการอยู่ในป่าก็ดีในภูเขาก็ดีในเงื้อมผาป่าไม้ชายเขาลำเนาพรายต่างๆก็ดีโดยมากท่านแสวงหาที่น่ากลัวช่วยพยุงความเพียรให้สะดวกยิ่งขึ้นจำพวกสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นช่วยพยุงความเพียรได้ดี รักกรรมฐานจึงชอบมันทั้งที่กลัวมันมากที่ชอบก็ชอบที่มันช่วยให้เกิดความกลัวได้อย่างรวดเร็วทันใจเพียงมองเห็นรอยของมันที่เหยียบไปตามทางหน้าถ้ำหรือสถานที่ต่างๆเท่านั้นความหวาดกลัวแม้กำลังหลับสนิทอยู่ก็เริ่มตื่นขึ้นทันทีและทำให้ระแวงกับมันอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ในท่าอุรยาบทใดความรู้สึก เหมือนมันจะมาเยี่ยมอยู่เสมอใจก็มีทีท่าระวังอยู่ทํานองนั้นขณะที่เกิดความรู้สึกระวังขึ้นมาก็เป็นท่าความเพียรไปในตัวเพราะขณะกลัวใจต้องระลึกถึงธรรมะเป็นที่พึ่งหรือที่ต้านทานขึ้นมาพร้อมๆกันการระลึกธรรมะนานเพียงไรย่อมเป็นการเสริมกําลังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านให้ดีขึ้นเพียงนั้น ผลคือความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นตามส่วนแห่งความเพียรจนสงบลงได้อย่างสนิทฉะนั้นความชอบเสือก็ดีความกลัวเสือก็ดีสำหรับผู้มุ่งต่ออัดต่อรมจากสิ่งทั้งสองเป็นเครื่องสนับสนุนจึงได้กำลังใจขึ้นมาในทันทีทันใดโดยไม่ได้คาดฝันว่าจะเป็นไปได้ แต่ความจริงเรื่องทำนองนี้ก็เคยปรากฏผลในวงพระทุดงคกรรมฐานมาแล้วเป็นจํานวนมากทั้งนี้เพราะความกล้าเสียสละจะตายก็ยอมตายไม่เสียดายชีวิตในขณะนั้นคนเราเมื่อจนมุมเข้าจริงๆหาที่พึ่องอื่นไม่ได้ก็จำต้องพยายามคิดช่วยตัวเองธรรมะยิงเป็นองค์สรณะอันอุดมอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เมือ่อน้อมเข้ามาเป็นที่พึ่งของใจในขณะที่กำลังต้องการที่พึ่งอย่างเต็มที่ธรรมะก็ยอมแสดงผลให้เห็นทันตาทันใจไม่มีทางสงสัยแม้ผู้ที่ไม่เคยทำและไม่เคยประสบมาบ้างจะสงสัยและปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ทำก็ได้ประสบผลอย่างประจักษ์ใจตัวเองมาแล้วทั้งที่ผู้อื่นไม่รู้ด้วยเห็นด้วย สุดท้ายความจริงจะตกเป็นของฝ่ายใดก็สุดแต่นักวิภาควิจารณ์จะวินิจฉัยกันไปเพราะผู้ประสบเหตุการณ์ด้วยใจตัวเองมาแล้วคงไม่วิจารณ์นี่แหละสิ่งที่ได้รู้เห็นด้วยตัวเองอย่างประจักษ์แล้วสิ่งนั้นก็หมดปัญหาสำหรับผู้นั้นดังธรรมะพระพุทธเจ้าจะเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนย่อยก็ตาม สำหรับพระองค์กับพระสาวกท่านไม่มีอะไรสงสัยในแง่ใดๆทั้งสิน้นแต่ผู้ที่ยังไม่รู้เห็นตามก็อดเกิดความสงสัยไม่ได้เช่นธรรมะว่าไว้ว่าสัจจะมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงเป็นต้นดังนี้เพราะพระองค์และพระสาวกท่านไม่มีปัญหาอะไรเลย เราสงรู้เห็นและตรัสไว้เองแต่ผู้ที่ยังไม่รู้เห็นด้วยก็ย่อมเกิดปัญหาสงสัยและถกเถียงกันไปผู้ที่รู้เห็นด้วยตัวเองปัญหาก็ยุติลงเองสรุปแล้วธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยความจริงล้วนๆย่อมมีทั้งผู้รู้เห็นตามเชื่อถือและฝากชีวิตจิตใจต่อธรรมะ ทั้งผู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เชื่อถือและปฏิเสธว่าธรรมะไม่เป็นความจริงตลอดมาจนปัจจุบันไม่มีใครมาตัดสินให้สงบลงได้เพราะธรรมะไม่ใช่ด้านวัตถุที่พอจะหยิบยกมายืนยันได้เหมือนโลกนอกจากจะรู้เห็นด้วยสันทิทิโก ร, รู้ด้วยตนเองไปตามวิสัยความสามารถของผู้ปฏิบัติไตรตรองเป็นรายๆไปเท่านั้นดังนั้นผลที่เกิดจากอุบายฝึกฝนทรมานของแต่และราย จึงไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ได้ทําการพิสูจน์จากความจริงที่เป็นวิสัยของมนุษย์จะพึงทําได้ด้วยกันเป็นรรยๆไปพระธุดงค์กรรมฐานที่ฝึกตนแบบเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงต่อความเป็นความตายจึงควรจัดเป็นวิธีพิสูจน์ตนและธรรมะเพื่อความจริงวิธีหนึ่งซึ่งไม่นอกเหนือไปจากวงแห่งศาสนธรรมที่ประธานไว เรื่องที่เขียนลงเหล่านี้เป็นวิธีที่พระธุดงค์ขะกรมมฐานท่านเคยฝึกตนมาประจำนิสัยและปฏิปทาที่เห็นว่าเหมาะกับจริตของตนเป็นรายรายไปอยู่แล้วและมีผลเป็นคู่เคียงกันมาไม่ได้ทำแบบสุ่มๆุมและนำมาเขียนแบบเดาๆแม้ผู้เขียนเองก็เคยตะเกียกตะกายตามวิธีที่กล่าวเหล่านี้มาแล้วท่านที่เป็นนักปฏิบัติ ต, ตามสายนี้ด้วยกัน ก็เคยได้ดำเนินและเห็นผลมาตามกำลังพอเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันได้ว่าการฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆดังกล่าวมาจึงมิได้เป็นโมฆะไปแบบมีเหตุแต่ไม่มีผลเป็นเครื่องตอบสนองแต่อย่างใดแต่เป็นปฏิปทาที่เต็มไปด้วยความหมายคือผลอันพึงหวังจะเป็นที่ยอมรับในวงปฏิบัติของท่านผู้มีปฏิปทาอดีงามตลอดไป คำว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วมักคนนิพานเกิดความกระทบกระเทือนไปตามไม่สามารถทรงดอกทรงผลสมบูรณ์แก่ท่านผู้ปฏิบัติเป็นธรมมานุธรรมปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่าผู้บูชาเราตาคต ด, ดังนี้ไม่มีอยู่ในวงสวากขาธรรมและจะไม่มีอยู่ในธรรมะของพระองค์ตลอดไปด้วย เราอำนาจความศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดใดๆย่อมไม่มีนอกเหนือไปจากธรรมะที่ตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคแก่สิ่งทั้งปวงดังนั้นผู้เชื่อในธรรมะเป็นต้นจึงไม่นิ่งนอนใจที่จะตะเกียกตะกายเพื่อสแสวงหาความดีงามใส่ตนนับแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยความภาคเพียรโดวยวิธีต่างๆตามแต่กาลัง และความถนัดในทางใดพระธุดงท่านถนัดทางใดในบรรดาวิธีแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสภายในให้สิ้นไปเป็นพักๆท่านยอมสแสวงในทางนั้นเช่นผู้มีนิสัยขี้กลัวก็หาอุบายเอาเสือเป็นอาจารย์ช่วยฝึกทรมานตั้งความพยายามเข้าสู่ป่าสู่เขาอันเป็นที่น่ากลัวและเป็นสมรภูมิที่เหมาะแก่การกาจัดความกลัว อันเป็นกิเลส ต, ตัวสําคัญชนิดหนึ่งออกจากใจตามธรรมดาจิตยอมเปลี่ยนความรู้สึกไปกับสิ่งเกี่ยวข้องเป็นอย่างๆไปไม่มีสิ้นสุดคืออยู่ในบ้านในเมืองกับผู้คนหญิงชายมากๆจิตมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเข้าไปอยู่ในป่าในเขาอันรกชัดหรือในที่เปลือเปลี่ยวเช่นป่าช้าป่าที่มีเสือชุกชุมมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเป็นต้น อุบายวิธีฝึกทรมานจิตจำต้องมีหลายวิธีเพื่อให้ทันกับโกนมารยาของกิเลสหลายชนิดที่มีอยู่กับจิตซึ่งแสดงตัวออกอยู่ทุกระยะตามชนิดของมันถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้างจะเห็นว่าจิตเป็นสถานที่ชุมนุมแห่งเรื่องทั้งปวงและก่อกวนตัวเองไม่มีเวลาสงบอยู่เฉยๆได้แม้เวลาหนึ่งเลย ซึ่งโดยมากก็เป็นเรื่องตรมสามที่คอยจะฉุดลากความประพฤติให้เป็นไปตามนั้นไม่ค่อยมีเรื่องอัตธรรมแปลงอยู่พอให้เกิดความสงบเย็ยนใจได้บ้างผู้ประสงค์ทราบข้อเท็จจริงทั้งหลายจำต้องเป็นนักสังเกตจิตและฝึกฝนทรมานจิตด้วยวิธีต่างๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นตัวอย่างอันดีเลิศแก่มูชน ท่านที่ชอบอยู่ในป่าจนเป็นนิสัยนั้นความจริงแล้วความรู้สึกของคนเราย่อมเหมือนเหมือนกันไม่มีใครคิดชอบขึ้นมาโดยลําพังว่าอยากอยู่ในป่าในเขาในที่เปลือยเปลี่ยวอันใครๆไม่พึงปรารถนาในโลกแต่ที่จำต้องคิดต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อความเป็นคนดีมีคุณค่าเป็นสง่าราศีแก่ตัวเองโดยการคิดและทำที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจึงได้ฝืนใจทา ดังงานต่างๆที่ชาวโลกทำกันมาประจำแผ่นดินความจริงไม่มีใครอยากทำให้ลำบากกายลำบากใจเลยที่ต้องทำก็เพราะความจำเป็นบังคับจึงต้องวิ่งวุ่นกันทั่วไปในโลกที่มีการกินอยู่หลับนอนเป็นนิสัยยิ่งการฝึกจิตใจด้วยแล้วถ้าท่านที่ยังไม่เคยทดลองดูจึงไม่ควรยกงานอื่นใดในโลกมาพูดว่าเป็นงานยากเพื่อเวลามาเจองานฝึกจิตเข้า เราจะฝืนทำงานนี้ต่อไปไม่ได้และอาจพูดว่าเป็นงานเพชรขาตหรืองานดัดสันดานไปก็ได้เราไม่อยากสนใจคิดจะทำงานนี้ต่อไปโดยไม่คํานึงผลที่จะเกิดจากงานนี้ว่าเป็นความวิเศษอัศจรรย์เพียงไรเมื่อพูดตอนนี้เราพอจะเห็นความรุนแรงเหนียวแน่นของกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจว่า มีความเหนียวแน่นแก่นักสู้นักทรมานสัตว์โลกเพียงไรขึ้นมาบ้างเพราะการฝึกจิตก็คือการกำจัดหรือขับไล่กิเลสออกจากใจนั่นเองผู้ขับไล่ก็ไม่อยากขับไล่ผู้เคยเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจคนและสัตว์มานานก็ไม่อยากออกเพราะไปอยู่ที่อื่นมันไม่สบายมันอยู่บนหัวใจคนซึ่งได้รับความทนุถนอมปนเปลือยอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมให้อดอยากขาดแคลนอะไรได้ต้องการชมรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องสัมผัสและอารมณ์ชนิดใดผู้รับใช้เป็นวิ่งเต้นหามาให้ชมทันทีไม่ชักช้าราคาค่างวดเท่าไหร่สวยสุขเป็นที่พอกับความต้องการแล้วค่อยคิดบัญชีกันการคิดและการจ่ายค่าอะไรเท่าไหร่ก็เป็นธุระหน้าที่ของผู้รับรองทั้งสิน้นเจ้าอานาจ มีได้อุทธรรร้อนใจอะไรเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะเป็นคนใจเหล็กเพชรมาจากไหนที่จะมีกระใจฝึกจิตคิดขับไล่กิเลสเจ้าแสนคารมให้ออกจากใจได้ฉะนั้นการฝึกจิตเพื่อความรู้ความเห็นด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงว่ากิเลสเป็นข้าศึกแก่ใจจึงเป็นการฝึกยากเห็นได้ยากอย่างยิ่ง ควรเรียกว่างานฝึกจิตทรมานกิเลสเป็นงานยากฝากตายจริงๆไม่ใช่งานทำเล่นอย่างสนุกสนานดังเข้าเล่นกีฬากันตามสนามบรรดาท่านที่สามารถรู้หน้าฆ่ากิเลสให้ตายจากใจมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงเป็นบุคคลพิเศษถ้าเป็นสามันเราเกิดมีความสามารถฆ่ากิเลสให้ตายจากใจได้ แม้จะไม่เป็นบุคคลพิเศษดังพระองค์ก็ต้องเป็นบุคคลพิเศษในวงกิเลสทั้งมวลความอัศจรรย์แห่งความสามารถฆ่ากิเลสให้ตายและความอัศจรรย์ของจิตที่อยู่เหนืออำนาจของกิเลสแล้วมีอยู่ในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นคือผู้เหนือโลกฉะนั้นการทำความพยายามทุกประโยคเพื่อการความวัตตะบนหัวใจ จึงเป็นงานที่เต็มไปด้วยความลำบากทรมานทุกด้านพระกรรมฐานที่ท่านฝืนใจอยู่ในที่ทรมานเช่นในป่าในเขาเป็นต้นจึงเป็นเหมือนอยู่ในที่คุมขังว่าจะพ้นโทษเครื่องจําจองจากกิเลสออกมาได้แต่และรายก็แทบไปแทบอยู่นี่แหละการฝึกจิตเพื่ออัตถธรรมจริงๆเป็นของยากอย่างนี้ นอกจากอยู่ด้วยการทรมานตนแล้วการขบฉันก็ทรมานไป ต, ตามๆกันเพราะเป็นประโยคแห่งความเพียนด้วยกันที่ผู้หวังผ่านพ้นดงหนาป่าทึบคือความมืดมนจะขวนขวายทรมานเพื่อเป็นความดีอีกทางหนึ่งการฉันแม้หิวมากอยากฉันให้มากๆตามใจชอบแต่เมื่อคำนึงถึงธรรมะแล้วก็จำต้องอดต้องทน ฉันแต่น้อยเพื่อแบ่งให้ทางทาธาตุขันบ้างแบ่งให้ทางจิตใจบ้างพอพยุงกันไปตามสมควรพยายามฉันแต่น้อยอันเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมกับจริตของตนไปโดยสม่ำเสมอหากจะเพิ่มให้ยิ่งกว่านั้นในบางการก็ต้องทำความรู้สึกไว้เสมอไม่ลืมตัวมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวสลับกันไปาธาตุขันก็ทรงตัวไปได้ ไม่อ่อนเพลียจนเกินไปและไม่ถึงกับเกิดโรคภัยไข้เจ็บทำให้เสียการจิตอย่างน้อยก็ทรงตัวและเจริญขึ้นตามลำดับแห่งความเพียรที่สนับสนุนอยู่โดยสม่าเสมอถ้าความสามารถพอวาสนาบารมีสมบูรณ์ก็ผ่านพ้นไปได้ดังใจหมายเพราะอุบายวิธีความเพียรแต่ละประเภทช่วยส่งเสริม ท่านที่ชอบอดอาหารตามนิสัยก็พยายามอดบ้างอิ่มบ้างผ่อนไปบ้างระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างตามแต่เห็นควรทางจิตก็ขยับความเพียรเข้าทุกทีเวลามีโอกาสทางทาธาตุขันก็ผ่อนลงเพื่อความเพียรได้ดําเนินโดยสะดวกจิตจะได้ราบเรือนแจ่มใสขึ้นไปเป็นระยะ ทางสมาธิก็เร่งในเวลาที่ควรทางปัญญาก็ขวนขวายไปตามโอกาสสลับกันไปทั้งที่อยู่ในป่าในเขาในเงืม่มผาหรือในสถานที่ต่างๆก็ดีท่านที่ผ่อนอาหารก็ดีที่อดอาหารก็ดีซึ่งมีจิตมุ่งมั่นต่อธรรมะด้วยกันต่างก็อยู่ด้วยความเพียรทางสมาธิภาวนาในอิริยาบถต่างๆกัน คอยสังเกตความเคลื่อนไหวของใจที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆอยู่โดยสม่ำเสมอใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกทางและสม่ำเสมอย่อมเจริญขึ้นโดยลําดับสมาธิก็เจริญมั่นคงปัญญาก็แยบคายกว้างขวางออกไปทุกระยะสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็น ไม่เคยเป็นก็เป็นขึ้นมาที่ใจดวงกำลังสแสวงหาความจริงอยู่อย่างเต็มใจความเกียดคร้านอ่อนแอความวอกแวกคลอนแคลนความวุ่นวายสายแสความมืดมนอนตรการที่เคยมีประจําสามัญจิตก็ค่อยๆจางหายไปวันละเล็กละน้อยจนเห็นได้ชัดว่าหายไปมากเพียงไรเฉพาะผู้ทรมานใจเกี่ยวกับความกลัว กับผู้อดอาหารไปหลา ย, ลายวันตามจริตชอบและการทรมานตนด้วยการนั่งนานๆโดยพิจารณาทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ทั้งสามอย่างนี้ผลรู้สึกอจจัศจรรย์ผิดกับการทรมานอย่างอื่นๆ อ, อยู่มากแต่จะอธิบายข้างหน้าเมื่อมีโอกาสตอนนี้จะอธิบายไปตามแนวที่ส่วนมากท่านดำเนินกัน